ถ้าตอบว่ากล่าวก็จะย้อนได้ว่าท่านกับปู่ตูชนจะต่างอะไรกันเพราะแม้ปู่ตูชนก็กล่าววาจาเช่นนั้นถ้าตอบว่าไม่กล่าวก็จะย้อนได้ว่าเหตุฉะไหนจึงว่ากล่าวพระเทวทัตอย่างรุนแรงจนพระเทวทัตโกรธไม่พอใจอภิยาราชกุมารไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค